พุฒวันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะสรรณีสนทนานะ เป็นเขาบอกว่าจิตจะกลับคืนสู่สภาพเดิมที่ถ้าพูดภาษาพระบอกธรรมนานค่ะนมัสการการมาจากก็จิต เป็นพูดถูกมั้ยคะว่าถ้าเราพัฒนาจิตจะมีความเป็นประภัสสอนเทวดาจนถึง มันควรบ่อ้าวถ้ามีทําไมไม่เห็นรู้สึกเลย ไม่มาทําให้จิตเราเข้ามองได้ถ้าเราลอกออกล้างค่ะนะคะ<ใช> ซึ่งซึ่งกระบวนการการไปเดินทางไปหา 8 นะกระบวนการนี้มีอยู่นะคะก็คือเรื่องเดียวที่รู้สึกว่า นะมีความทุกข์ทางกายแล้วๆท่อนๆ เข้าใจง่ายแล้วก็โดนต้องใช่อย่างนี้พออ่านปุ๊บโอ้โหใช่เลยรวบ เป็นความดีชั้นตรีอืมการชนะที่เกื้อกูลเขาด้วยเป็นความดีชั้นโทอืมการชนะ แต่ว่าถ้าเราเอาชนะความโกรธของตัวเองได้เอาชนะกิเลสความเศร้าค่ะทีนี้ก็ การชนะคือเกื้อกูลเค้าด้วยเป็นชั้นโทการชนะความ แล้วไอ้ความที่เราเอาอกุศลในซึ่งถ้าเราเกื้อกูลแล้วอืม แต่ว่าทีมชนะตัวเองเป็นความดีชั้นเอกเนี่ยดิฉันเข้าใจเลยนะคะว่าเราเนี่ยเวลาที่จัดค่ะใช่ๆค่ะ ที่ได้รับตําแหน่งดีๆท่านอืมผู้ที่รู้ถ้าเออก็ต่อให้ต่อให้คนทั้งโลกนะเค้ามาดีดีดีถูกถูกถูกแต่ ถ้าเราทําดีแล้วเราสร้างกุศลแล้วเนี่ยต่อให้คนเค้าจะ รู้อยู่ในใจอยู่ละนะความรู้อยู่ในใจตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ค่ะถ้าเปรียบเทียบกับตัวเราเองก็สมมุติว่ามี อ่าเหมือนกับเราเนี่ยพยายามที่จะว่าต้องเป็นแบบแม่ชีหรือว่าน้องอืมพยายามนะมันอ่า บางอยู่บนทางได้ประคับประคองไปแต่ก็พยายามค่ะแล้วก็จริงๆได้เข้าใจว่าเอ่อถ้าใครประเมินเราสูงเนี่ยสู้ใช่มั้ยแต่ ถ้าเราทําความไม่ดีแล้วถ้าใครจะมายกย่อง เอ่อทีนี้ไอ้ความกลัวความละอายต่อบาปเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราต้องหมักไคล ไม่ได้มีความค่ะอันนี้คือจุดที่ที่อืมยังมีอีก 1 ไมคํากล่าว นะจิตใจคนไหนนะถ้าไม่มีธรรมนะเอ่อจะเป็นอยู่ในโลก เราจะอยู่ยากมากในในประเทศในโลกใบนี้นะเพราะฉะนั้นทุกย่างก้าวทุกลมๆมั้ยคะเกี่ยวกับเรื่องความ ในเรื่องพื้นฐานอย่างเช่นเรื่องศีลอย่างนี้เป็นต้นเลยนะเราไปๆนานาแต่ถ้าคุณเป็นคนคือเรื่องพื้นๆอย่างเรื่องศีล คือหมายถึงว่าธรรมที่เจ้าเข้ามาจับกับเรื่องที่บอก ถ้าอยากให้จิตมีกําลังต้องปฏิบัติสมาธิทุกทางเรียกว่าเป็นอธิจิต จะต้องเจริญสมาธิใช่ไหมคะเจริญสมาธิใช่มั้ยคะถูกต้องต้องทำติดๆปัญญาค่ะนั้นน่ะอ่านะจะเจริญปัญญาในที่นี้ก็คือเห็นไตรลักษณ์เห็นความ จิตจะเจริญนะจิตเมื่อเจริญแล้วได้นะวิปัสสนาเมื่อปัญญาจะเจริญได้ค่ะมันก็จะคู่กันไปเรียงลําดับนะ 3 คู่กันค่ะเราก็ ถ้าสมมุติว่ามีอธิจิตใช่มั้ยคะเมื่อใช่ใช่ราคะถูกต้องทีนี้เอ่อมีลำดับมั้ยคะว่าบางทีเอ่อ อ่ะเกี่ยวกันเลยเพราะว่าสัมปทาวิปัสสนาต้องเคียงคู่กันไปนะคะทีนี้อ่าดิฉันอยากเรียนถามก็คือ ราคะประเภทใดได้ก่อนแล้วก็ราคะประเภทอื่นค่อยของกามก่อนในเรื่องของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ละเอียดขึ้นไปในเรื่องของเอ่อ <ใช>การที่พระพุทธองค์ตรัสรู้คือหมายใช่ปัญญาแห่งการๆที่ธรรมดาธรรมดาค่ะค่ะ สถาปนาไว้แล้วก็มีการถอดออกมาเป็นคําพูดสั้นๆในแต่ค่ะก็คงค่ะที่ ท่านฟังที่เคารพคณะรายการของเรานะคะรายการสรรเสริญสนทนาค่ะ ขณะนี้ได้ทราบว่ามีเพื่อนก็จะเอาศิลปินแล้วก็ในส่วนนี้ ในค่ะแจ้งให้ทราบที่จะ